ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่สาคอลัมน์เที่ยววัดวัดบ ร, รมนิวาสอรัญญาวาสีแห่งกรุงเทพตอนที่หนึ่งต้นทางแห่งพระปฏิบัติโดยวีรวงเวลาที่เราคิดถึงครูบาอาจารย์พระป่ากรรมาฐานสายหลวงปู่มัน่นภูริทัตตาเถระเมื่อจะไปในสถานที่ที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์เหล่านั้น ก็ต้องตามไปถึงวัดที่แต่ละท่านเคยจําพรรษาแต่ละวัดก็ล้วนแต่จะอยู่ห่างไกลบางวัดก็ยังยากจะเดินทางในปัจจุบันหลายคนอาจลืมคิดไปว่าใกล้ๆตัวนั่นแหละยังมีอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งความระลึกถึงความห้าวหาญในการออกจากทุกข์ของครูบาอาจารย์ยุคก่อนสถานที่นั้นคือวัดบรมนิวาส หรือชื่ อ, อย่างเป็นทางการวัดบรมนิวาสราชวรวิหารพระอารามแห่งนี้ได้สถาปนาขึ้นมาโดยวชิรยาณภิกขุในเวลาต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่สี่แห่งพระบรมราชจักรีวงโดยพระองค์ตั้งใจสถาปนาวัดแห่งนี้ให้เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีหรือวัดฝ่ายปฏิบัติ คู่กับวัดบรวรนิเวศวิหารซึ่งพระองค์ตั้งใจให้เป็นวัดฝ่ายคามวาสีหรือฝ่ายปริยัติอีกทั้งที่ตั้งของวัดอยู่นอกกำแพงพระนครสภาพแวดล้อมของวัดในอดีตเป็นไรนาแบบชนบทสงบเงียบเหมาะสำหรับให้พระพิสุสมมเดนที่สนใจบำเพ็ญปฏิบัติทางจิตได้มีรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญภาวนา ด้วยจุดประสงค์ขององค์ผู้สร้างวัดให้เป็นวัดฝ่ายอรั ญ, ญาวาสีสอดคล้องกับเจ้าวาดผู้ครองวัดก็ช่วยส่งเสริมให้รุ่งเรืองต่อมาจนถึงปัจจุบันอนดีตเจ้าวาดที่เป็นกำลังสำคัญนั้นได้แก่ท่านเจ้าคุณพระอมราพิรักคิตะเกิดอมโรโออดีตเจ้าวาดรูปที่สองพระคุณท่านมีความเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินยัย และหวังให้การปฏิบัติอย่างรากลึกในพระพุทธศาสนาท่านได้วรวบรวมรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างพิสดารในนามหนังสือนั้นว่าบุพสิกขาวันนาซึ่งพระภิกษุที่ต้องการประพฤติตามพระธรรมวินยัยจะศึกษาจากผลงานของพระคุณท่านนี้เพื่อเป็นบาทฐานสำหรับการปฏิบัติในขั้นสูงต่อไปและยังเป็นที่นิยมศึกษากันอยู่จนถึงปัจจุบัน ในเวลาต่อมาก็มีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์นจันสิริจันโทอดีตเจ้าวาดรูปที่ห้าองค์ท่านทรงเสริมกิจการทางาศาสนาทั้งสองด้านคือทางปริยัติและปฏิบัติพระคุณท่านยังอยู่ในฐานะพระอาจารย์รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในเวลาที่พระคุณท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้ยกย่องหลวงปู่มั่นในด้านการปฏิบัติให้เป็นที่ปรากฏยังผลถึงความมั่นคงของคณะพระกรรมฐานจนถึงปัจจุบันในหมู่พระกรรมฐานแล้วจะกล่าวถึงพระคุณท่านด้วยความเคารพอย่างสูงว่าเจ้าคุณปู่ใหญ่ท่านเจ้าวาดรูปต่อมาคือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโสท่านก็สืบสารแนวทาง ที่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้วางแนวทางไว้และอุปถ ER <Hey. S 1> in ัมภ์ส่งเสริมการปฏิบัติสืบต่อมาเล่ามาถึงตรงนี้ก็จะเห็นถึงความสำคัญของวัดกับพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยเหตุนี้จึงมีพระฝ่ายปฏิบัติมาแวะเวียนพักอาศัยเรื่อยมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันลองมาเดินตามวิหารลานพระชดีไปด้วยกันนะครับ เริ่มจากลงรถเมย์เชิงสะพานยศเสดเดินเข้าซอยวัดบรมนิวาสซึ่งเป็นซอยเล็กๆเป็นถนนที่เดินรถทางเดียวใครจะทราบบ้างว่าถนนที่เรากำลังเดินอยู่นี้สร้างมาด้วยความอุสาหะของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีมากขนาดไหนเดินสักหนึ่งอึดใจก็จะพบป้ายวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเป็นซุ้มประตูแบบเรียบง่าย เดินลอดใต้ซุ้มประตูแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายตามถนนไปเริ่มต้นแนะนำให้เข้าไปที่ศาลาอุรุพงค์ที่แห่งนี้เปิดต้อนรับนักทัววัดตลอดเวลาศาลาแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศาลาการประเรียนสำหรับพระลงมาสวดมนต์ทวัดเช้าเย็นฟังธรรมในวันพระและบำเพ็ญบุญต่างๆ พระประธานในศาราคือพระพุทธพิชิตมารมัธยมพุทธการเป็นพระพุทธรูปที่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีบูรณาจากพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยานอกจากนี้ก็มีรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของพระบุรพาจารย์องค์สําคัญของวัดสองรูปคือท่านเจ้าคุณพระอุบาลีกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กราบพระเสศ็จ ลองมองมายกพื้นพรมสีแดงจะเห็นธรรมมาตรอันงดงามธรรมมาตรอันนี้แหละเมื่อครั้งที่หลวงปู่ม่านลงมาจาพรรษาที่วัดปฐุมวันอารามกรุงเทพมหานครท่านได้เดินทางมาฟังพระธรรมเทศนาจากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีตลอดจนการทาวัดสวดมนต์ทุกวันธรรมศวนาะในศาลาบนธรรมมาตรอันนี้เองลงมาจากศาลาแล้ว มองไปที่ด้านทิศเหนือของสลาจะเห็นกุฏิหลังใหญ่กุฏิหลังนี้เรียกว่าหอเขียวด้านวนของกุฏิในอดีตคือสถานที่จำวัดของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีและในห้องกลางหอเขียวแห่งนี้คือที่ที่หลวงปู่มั่นถวายคำแนะนำแด่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเกี่ยวกับการพิจารณาปัจจัยาการหรือปฏิจสมบาท ซึ่งปรากฏในประวัติหลวงปู่มั่นที่มีอดีตเจ้าวาดท่านหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิผู้ใหญ่ของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้อยู่ร่วมเหตุการณ์นี้ด้วยเป็นผู้บอกเล่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้มรณภาพหน้าหอเขียวแห่งนี้ด้วยความอ่านหานนิรยาบทนั่งสมาธิและบริเวณด้านหลังหอเขียวคือหอธรรมวิจาร์ซึ่งเป็นสถานที่จำวัด ของท่านจะประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโสตลอดจนเป็นที่มรณะภาพของท่านด้วยโดยในขณะที่ท่านมรณภาพท่านพ่อหลีได้คอยให้สติอยู่ตลอดจนสิ้นลมปัจจุบันยังเป็นที่เก็บอัฐิของอดีตเจ้าวาดทั้งสองแห่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดบรมนิวาส ด, ด้านตะวันออกของศาลาอุรุพง์ ใกล้ๆ ก, กันเป็นที่ตั้งของกุติรามาแขที่นี่แหละน า, าดีตเป็นที่จำพรรษาของท่านพ่อลีธรรมทโรอดีตเจ้าวาดวัดอโศการามสิทธิ์ที่สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นท่านได้มาจำพรรษาด้วยภารกิจคืออุปถาและแนะนำธรรมปฏิบัติในช่วงบ้านปลายชีวิตของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโส จะเห็นว่ากุติที่พมนักของท่านทั้งสองจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเพราะการที่ท่านพ่อหลีอยู่ร่วมกับท่านทําให้ท่านรู้สึกปลอดภัยในธรรมปฏิบัติในช่วงบั้นปลายชีวิตสอดคล้องกับคําสั่งของท่านจ้ประคุณสมเด็จที่ปรากฏในประวัติท่านพ่อหลีที่ว่าท่านต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายหนีไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าปฏิบัติก็ตาม ขอให้รู้ว่าอยู่กับเราด้วยการดูแลของท่านพ่อลีนี้เองท่านจํำรภคุณสมเด็จที่เพิ่งจะปฏิบัติธรรมจริงจังในช่วงบ้านปลายได้บอกไว้ว่าการนั่งสมาธิเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีประโยชน์อย่างนี้กับแต่ก่อนเราไม่เคยนึกว่าการทําสมาธิเป็นของจําเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในความตายควรเก็บไว้พิจารณา ในฉบับหน้าผู้เขียนจะพาเดินชมอีกส่วนหนึ่งของวัดซึ่งมีความสำคัญต่อครูบาอาจารย์ผู้เปรียบประดุจดังเสาหลักกรรมฐานพระป่าในยุคปัจจุบัน